ไปยังไงนั่ง6ชั่วโมงแล้วไปยังไงดีไหมมองไม่เห็นหน้าท่านแต่คือแสงสว่างก็ไปได้ดีนะท่านตทวะแล้วนี่ก็ดีแล้วค่ะเทวะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะไม่ต้องรายงานหรือเปล่าสองกันบ้านแต่คือคือว่า หลังจากที่ทำได้สัก3ามวันก็เกิดอาการมาหาคันขึ้นมาคันมากเลยคันตรงที่เรานั่งแต่เวลาตอนตอนนั่งเนี่ยทำมันเหมือนคนเหมือนเหมือนคนไปถอนฝันแล้วถูกฉียาชามันไม่รู้เรื่องมันไม่คันแต่พอเลิกแล้วลุกขึ้นนั่งเดินไปเดินมาเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันคันมาก ออกนอกบ้านไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนนี้ก็ยางนี้บ้านะฮะก็อย่าไปคะอย่าไปเกาเลยพูดง่ายอ่ะแต่ว่าคือปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเวทอันนั้นก็เวทธรมันวางไม่ไหวแล้วท่านเพราะว่ามันทับกระเบิดเลยเหมือนหนังทังคบด้วยฮะมันบวมอ่ะพุทโธพุทโเลยพุทโทก็ยังไม่ไม่หายนะ แต่อยากให้มันหายไม่ได้ต้องการให้มันหายก็มันมีส่วนนะต้องการหยุดแต่ต้องการหยุดเกามีส่วนฮะแต่ว่าก็อริยสัจสีที่โยมแอพพลายนะก็ว่ามันต้องไปหาเหตุว่าทํำไมมันถึงคําไม่ใช่ไปหาว่าทาไมต้องเกาต้องเก่าอก็เพราะว่าอยากให้มันหายคันใช่ใช่ไปหาเหตุผิดที่แต่สรุปแล้วคะคะท่าน คือคือว่ามันมันเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองค่ะเพราะว่ายงก็เป็นโรคแพ้คั น, ข, นขันมาตั้งแต่เกิดนะฮะ mm hmm. แต่นี้ไปเราไปนั่งมากๆเนี่ย mm hmm. ก็ไปบล็อกทางเดินของเขาของเหลืองนะฮะ mm hmm. พราะมันเป็นแต่ตรงตรงแถวที่นั่งนะฮะ mm hmm. นี่ก็เลยก็ก็เอามันนึกได้ว่ามีพระจีนที่แบบว่าต้องแกงแขนนะคะ mm hmm. ชื่อไปกระตุน้นน้ำเหลืองให้มันหมุนเวียนนะคะก็เริ่มเลยเพราะมีหนังสืออยู่อันของของพระพระศรีรังการนะ์ถึงสังสกฤตท่า น, นเขียนว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเนะี่ยซึ่งมีหลายท่านซึ่งเป็นทันกระเจอเนี่ย่ะก็เออเราไม่ใช่คนเดียวนะฮะก็ไปทำคือไปทำเนี่ยทั้งแกว่ง แขวงทั้งทั้งแขนทั้งทั้งขาเลยนะฮะตรงขาหนีบเนี่ยเพราะมันมีต่อมสำคัญตรงแถวนี้นะฮะตรงแถวเนี้ยนะไปแขวงแวงทีละข้างละห้าสิบข้างละห้าสิบทั้งขาทั้งแขนพรากรูน้ท่านอจารย์วันเดียวยแต่ว่าสามสามสี่หนนะโดยเฉพาะก่อ น, ก, อนก่อนนั่งหกชั่วโมงแบบหลังออกหบชั่วโมงแนขะวงยายเลยนี่ on top อ f ไปเดินนะเดินนี่ก็เช้าเย็นสามกิโล มันยัไม่ช่วยเลยงั้นการไปุ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้หายแล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเพราะเราไม่ได้คิดแล้วเพราเราเราไม่ทางออกพราะไม่ได้หน้างมันเลยอ่ะนั่งค่ะโอ้โหสิงข้อไหนอ่ะสิงข้อสี่ยังอยู่ค่ะพแล้วก็นั่งไปแล้วมันหายไปงั้นกันก็เราแกงนะคะเราเราแกงอยู่เรื่อยแลวงแขนเนี่ยแกงแขวแกงขาเนี่ย แล้วก็เดินเดนมันก็เดินะแต่ว่าแค่เดินมันไม่หายต้องแก้นี่ปัจจุบันก็ต้องทํานะีนี้จะจะนั่งสิกชั่วโมงก็ไม่ว่าเลยนะฮะเพราว่ามันแกวงแขนแล้วจะไม่คันอีกแล้วนีประสบกับตนเองค่ะท่านคนอื่นอาจไม่เต็มนะแต่ยงเป็นอ่ะเพราะเป็นโรคคันกับเช่ามาตั้งแต่เล็กๆใครตัดหญ้าอะไรเนี่ยฮะแพ้แกะสมดอกไม้อะไรพวกเนี้ย มันบางคนนะฮ ะ, ฮะเดี๋ยวแล้วเราก็ออกมาได้ฮ ะ, ฮะออกมาจากทุกนั้นได้ตอนนี้ก็ยิ้มได้ยิยมเพราะมันไม่คัน <c oughs> ถ้ามันทันก็ยิ้มไม่ออกยนะู้ว<ต>่าจะไม่ขันรู้ว่ามันเป็นปัญหา ต, ต้องยิ้มได้ตอนที่มันคันอย่างงก็ถึง แต่ตอนนั่งมันไม่คันนะท่านมันมหาจัรย์ต้องไม่นั่งที่ปจิบัตินี้เพื่อให้มันมันยิ้มได้กับคันหรือไม่คันไม่ใช่ยิ้มได้แต่เฉพาะตอนคันตอนไม่คันตอนคันก็ต้องยิ้มได้มันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันมหาทันละไหววางไม่ได้ไม่ไหวเลนืงใจออกตายซะดีกว่ามาคันได้อย่างนี้นท่านเนืงใจออกจากความคันไม่ได้สรุปแล้วโยมก็มีความสุขแล้วตอนนี้นั่งสมาธิ พุโทโธพุโทโธเนี่ยสงบนิ่งอสปา อ, อัอนี้นก็คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันกนะ็เคยถ้ า, ถายัางยังมีปัญหากับความคันอยู่มันก็ยังไม่ผ่าน<ะ>ต้องต้องไม่มีปัญหากับมันใช่ไหมค ะ, ะมันจะมาหรือจะไปก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็รู้ทุกแล้วว่ามันเป็นทุกข์ขนาดไหนแล้วเราก็แก้ปัญหาเราเอง แก่แบบนี้มันเดี๋ยวเจอความคันอีกมันก็ไม่คันนะไม่คันอ่ะไม่รู้ยังไงไม่คันมันอันนี้จความคันอันนี้จ่มันมันมามันไปมันเกิดมันดับนเวลามันมาเราต้องเฉยให้ได้สิมัจะถูกเราแฮปปี้เหมือนตอนนี้ตอนนี้มันไม่มาเราก็แฮปปี้แต่ว่ามันดีตรงตรงที่เวลาเราพุดโถกันเนี่ยนะะท่านพโจ้พุทโพุทโจเนี่ยมันหายอยู่ไหนก็ไม่รู้มันไม่คัน เข้าใจแล้ไม่ไปสนใจมันไม่สนใจใช่ไหมอยู่กับคุมันองเรืงใจออกจากความคันแต่แล้วในคุ้มครองมันก็จะไปเก่าให้ได้จะให้มันหายแนี่นะครับทับระเบิดเลยแค่แป้นอยากจะให้มันหายให้ได้เหมันก็เลยแบบความเครียดขึ้นมาที่เราต้องการแก้ไม่ใช่ความคันแต่ความเครียดเครียดจากความยอรับความอยากเก่าไม่อยากให้มันหายคัน อันนี้ยความคันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทนาแบบความรู้สึก่หลาแบบเนี่ยความเจ็บมันก็เป็นเมทนาแบบความคันจกะจี้เงก็เปเวทนาไงครมจี้ทำจิตแข็งๆนี่ใครจะจี้ไงก็ไม่ไม่สับสอะไรหรไม่อะไรเฉยๆ จิตอ่อนไม่ไหวเนยพอแคมเมอร์จี้นี่ก็ว้าวเก๊กกั๊ก็ได้บทเรียนมาค่ะอาทิตย์เนี้ได้บทเรียนมาคือที่ให้นั่งคือให้ฟาร์มความอยากต่างๆเขื่อทุกรูปแบบความอยากทุกรูปแบบทางตาหูจมูกเลี้ยงกายให้นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรผมมตว่าเรากําลังนั่งเล่นเครื่องไป ว<ไ> ง, ง, งจรบันดอนได้เท่ไหน่ก็ได้6ชั่วโมงเราจะอนุญาตให้ลูกจากที่ได้ก็เฉพาะเวลาเข้าห้องน้ํางเงี <c oughs> ้ยหรือถ้าเรานั่งแล้วเมื่อยก็อนุญาตให้ยืนตรงที่เรานั่งเพื่อให้ยืดเส้นยืดสายหน่อยคือ ต, ตอนนี้ยังไม่ต้องการให้ไปสู้กับทุกขเวทนาทางร่างกายทางความเจ็บปวดของร่างกายแต่ต้องการที่จะปลามความอยากที่จะ ไปดูให้หนุ่นไปฟังให้หนี่ไปลิ้มรสไอนั่นไปเดือดไอ้นั่นไปกินไ้นี่อันนี้เป็นความอยากยังไม่ใหญ่ตัวความอยากพื้นฐาน<ะ> เ, าเก็บตัวเล็กๆ ก, ก่อนแล้วถ้าเรามีกําลังต่อไปเราก็จะเก็บตัวใหญ่แล้วไอ้ตัวที่คันเนี่ย<ะ>แล้วตัวที่เจ็บเนี่ยต่อไปแล้วก็จะเก็บนดถ้าเราไม่ทําเลยเราก็จะไม่มีกำลัง ถ้ามันจะทําให้เรานั่งสมาธิสงบได้ง่ายขึ้นเพราะนิวรมันจะน้อยความอยากในการมันทะนี่มันจะเบามันจะทําให้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ดีขึ้นเพราะเรามีหนึ่งเรามีสติมีกำลังมากขึ้นสองความอยากการมันทะมันดองการมัจฉาทัสมก็เป็นนิวรตัวที่เป็นอุปสัรค ไม่ได้นั่งกันไม่ได้านานๆครับเพะนั่งเยเดี๋ยวก็อยากจะลุกแล้วอยากจะไปทำอย่างทำให้เนิงงงน่งทำนห้พออยากจะลุกแล้วก็ทนนั่งต่อไปไมได้ไม่อะไรให้ตามความอยากจะลุกนี้ให้นั่งเฉยๆแต่ให้ขยับได้จะขับขยับซ้ายขยับขวาจะลุกขึ้นมายืนได้แต่ให้นั่งเป็นอันใ นั่งได้กี่ครั้งหลายครั้งเลยโหเป็นอาทิตย์แล้วตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่อาจารย์บอกไปร้องนั่งทุกวันเลยทุกวันน่ะทิงทนี้มันก็คันก็นั่งไงสู้อ่ะทำงา้าชั่วโมงเนี่ยหน้าเต็เนี่ยมีกําลังมากขึ้นในใจสตินี้กําลังมากขึ้นหยิบข้าวอยากได้ไหมถ้าอาจารย์พนจะเข้ามานะฮะก็ต้องเข้ามาเรื่องนี้ครั้งต่อไปก็นำมาปรับเรื่องเหลืองกาแฟด้วย ยังไม่ต้องเลิกเพียงแต่ให้เดิมแค่คนเดียวดืมให้เดินให้เดินนะให้เดินกับอาหารย้อมจบยอมจ บ, มจบนกนี่กาแฟอ่ะหรือไม่ต้องไม่ต้องเลิกเพียงแต่ว่าให้ลดลงให้ให้เหลือวันละครั้งเดียวเดี๋ยวเียยาซื้อมาไดนะ้ไหมแต่ตอนนี้แน่นอนเรื่องที่เข้ามาก็คือเดีย๋ยวต้องไปจ่ายตลาดเพราะจะต่อยไปสายบ่อทุกนี้อันนี้อันนี้เป็นความอยากที่ดีใชคะ ก็ต้องดูว่ามีเห็นมีผลหรือเปล่าถ้ความอย่ากที่ดีแต่ถ้ามันเป็นการเลี่ยงความอยากที่ดีกว่าคือการนั่งเฉยๆเลียงไม่นัเรื่องไม่นั่งอันนี้ก็เป็นกิเลสมันฉลาดมันจะหาเหตุหาเว่าจะไปอย่างคนที่ไปถูกขังอยู่ในอยู่ในว่าให้ไปภาวนาแล้วก็คิดว่าเราไปทอดผ้าป่านี้ป่ะนี้มันก็มันก็เป็นกิเลสมันหลอกมันไม่ต้องการให้เราขังมันไงกิเลสไม่ชอบถูกขัง พอมันถูกขังมันก็จะหาเหตุที่ดีมาอ้างคือถ้าเอาเหตุที่ไม่ดีมาเราก็รู้ทันมันเลย อ, ออกไปได้มันก็เล่เาเหตุที่ดีมาอ้างโอ้ยต้องไปเยี่ยมคุณแม่หรือไปไปท่อดข้าป่าไปเยี่ยมเพื่อนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยทั้งปีทั้งชาติไม่อยากจะไปหาก็เลยแต่พอถูกขังอยู่นี่มันอยากจะไปหาเขาแ้วพอมีรู้ว่าเขาไม่สบายก็อยากจะไปเยี่ยมเขา้วนี่มันหาเหตุออกก็ใไหม ที่เราให้นั่งเพื่อเราสํารว ม, มตาหูจมูกเนื้องกันเราต้องการที่จะปานให้ใหความอยากที่จะออกไปทางต า, ง ท, างทางรูปเสียงกลิ่นรเราได้จับจับมันขังเหมือนกับขังอยู่ในคุกเนะี่ยขังอยู่ในห้องขังห้องขังยังดีพวกคุกก็ยังเดินเหถื่อนทำไดนะ้แต่เราไม่ให้ทำอะไรให้นั่งเฉย ลองทําดูว่าต่อไปไปติดคุกก็จะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนค่ะสบายมากก็นั่งเียๆได้อคอามดีของติดคุงนี้สบายใช่ไหมค่าชาวบ้านก็มเสียข้าวก็ฟรีน้ําไฟก็ฟรียังมีรอประพัคุ้มครอง<ช>อยี่สสี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งไปไปเป็นโซดาบันเร็ตลนะอแล้วก็นั่งสบายแต่ที่ที่ได้มาตอนนี้ค่ะท่านอาจารย์จากที่ทํำมักๆเนี้คือ คือว่ามันมีมันมีมันมีความความสงบนิ่งติดต่อกันเข่าชั่วโมงเนี่ย ม, มติดต่อกันแม้กระทั่งสนลุกขึ้นไปเอาพัดลมมาเปิดเนี่ยก็สักสามเมตรไปสามเมตรแล้วก็ไปตั้งอีกสามเมตรแล้วก็แล้วก็หลีหลีตามไม่ได้เปิดอ่ะแค่หลีหลีตาไปแล้วก็ไ ม, ม่ได้ต้องเปิดพัดลมก็เป็คอนความยากอ่ะโอ้มันมันมันย้อยหยดไปหมดเลยแล้วมันหยดไปเลย คือว่าไฟดับไปแล้วกันนะแต่ก็จะพูดจะพูดเพื่อที่นี่ไม่มีไฟนะไม่มีพัดลมคือคือว่ยอมกลับมานั่งเนี่ยนะคะแล้วมันก็มันก็ต่อนิ่งอย่างรวดเร็วมากมันไม่ได้หายไปไหนเลยถึงเราจะจะออกไปนิดนิดหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วนั่งกลับมาเนี่ยมันก็มันมันจะอยู่ของมันตลอดมันไม่น้ําที่มีน้ําไหลเละอ่ามีไปของมันเรื่อยๆคิดว่าจะทำแบบเรื่อยๆได้นะ คิดว่าเธอเป็นกิจวัตประจำวันได้ไหได้ถ้ามีถ้าไม่ไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะบัญชีเพราะเรายังเป็นคาราวาสแล้วทัญีกลับมาไม่ทันมั่งอะไรมั่งไปแต่ว่าทําได้ฮะเพมันดีดีกับเราเพราะเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วนอกจากนั่งขหกชั่วโองแล้วยังมีไะ้รยังมีนั่งสมาธิแบบปกติหรือเไล่าอันนี้บ่ายมองถึงหกโมงเย็นไว่ทันเห็น าารากแล้วก็แล้วก็เพราะอันนี้ไปทำเจกก็กลางคืนไม่ได้หลับแน่เลยหกชั่วโงเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ตกภวังเพราะเพราะอะดรีนาลีนร่างกายมันยังอยู่น ะ, ะแล้วก็ไปเริ่มอีกทีสักสักเอ่อเกือบสีทุ่มหรือสีทุ่มนั่งสมาธินั่งสมาธิอีกหนึ่งหรือสองชมตามแต่ร่างกายเขาเหนื่อยไม่เหนื่ยอยแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นมาอีกตักงตีสี่หรือตีสีครึ่งไปถึงหกโมงเช้าอันนั้นเป็นกิจวัตร ที่เคยทํามาสิ่งเท่าหกโมงก็ยังต่ยค่ะนสมาธิเหมือนกันค่ะก็ได้โยอะท่านก็ดีได้นอนแปดสิบชชั่วโมงค่ะนอนห้าชั่วโมงก็พอพอมากกว่พอเพราะว่าตรงเวลาเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยนะคะเอ่อมันเหมือนกับหลับมันเหมือนกับหลับแล้วมีคิดแค่อย่างเดียวอมันไม่เข้าไปทําทําลายสมองนะฮะถ้ามันมีน้อยนิดเท่าเราคิดยี่สิบอย่างเนี่ย มันทำให้สมองเกิดสารเคมีอะไรต่ออะไรที่เป็นเป็นความจําเสื่อมได้คนที่คิดมากๆมีลูกสาวก็บอกมาก็ขยายต่อไปถ้าทำแล้วมันดีก็ควรจะทำต่อคุณแม่คไม่นั่งเครื่งชั่วโมงทุกวันไม่พอนะก็แล้วแต่คนแต่ละคนก็มีกำหนดไม่เท่ากันใจแนวแน่มากิบกอกขลักตุ้งตระศีกษ์ ถ้านั่งได้น่าท่านยิ่งดียิ่งท่านนั่งยิ่งนั่งสมาธิยิ่งมีคำถามเยอะกครั้งกเปิดปัญญาใช่ไหะคําถามปัญญามีทุกครั้งเลยะต้องมาถามให้ไวตอไมด้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่ละคนขเขามีตลอดก็จะมาถามท่านเขาอยากรู้อยากอะไรต่ัตาก็ยังไม่เข้าใจั้นก็มีคําถามคนที่รู้ว่าทุงอย่างมันไม่เทียงเป็นทุก มันเกิดแล้วดับก็ไม่ได้จะไปทานอะไรก็แค่นั้นก็พอเขานักวิจัยเลยนะเขาจะมีคำถามตลอดเพาเขาไม่ถามเขาไม่ถามนี่คุณถามเองถ้าเขาเขาเขาเาไอ้นะเราอยากเอาออกมาแล้วอย่างเมื่อกี้คุณปุยถามว่าบนรถบอกว่าทําไมเธอไม่เลือกมาเป็นพระก็หลักทําไมเธอทําไมต้องเขาบอกมันเป็นพระไม่ได้หรอกยังไม่ร้องเขาเขาจะต้องมามาแต่งหนังสือทำหนังสือมัมมอสอะไรแบบนี้ เขอยางอยากกินอยากดื่ตามเวลาที่เขาต้องการตามเาเป็นพระก็หึงกิจเวลาเดียวตอเป็นษาังเขาบอกว่าเขาเป็นพระได้แต่เขาไม่เลือก่อนพระทาไมต้องมาเลือกทำนองสือเกี่ยวกับสับเลืองเลืองนมอะไรเนี้ยก็เรื่องของเขานี่ยแม่ท่านบอกเขาหลอกเขเรื่องนี้ใคยๆก็ลูกแก่จของตัวเองนะเรื่อว่าเขาเปบงเขาต้าแ่ ก็ไม่ต้องเป็นพระก็ได้ให้ปฏิบัติแยากกายแยากใจออกจากกันได้นะปล่อยวางร่างกายได้ก็ดีกว่าบางทีมาบวชแล้วไม่ได้มาแยากเนี่ยสมัยนี้พ้ามาบวชกันมาแยากอะไไม่ได้แยกใช่ไหมมีแต่ <c oughs> มีแต่หาความสุขที่ร่างกายเท่าั้นอย่างนี้ปัญหาของพวกเราคือเรายังพึ่งร่างกายกันอยู่ยังใช้ร่างกาย เราต้องหาเลิกใช้ร่างกายใช้ใจอย่างเดียวเอาความสุดทางใจถ้าเรามีความสุดทางใจเราก็ไม่ต้องใช้ความสุดทางร่างกายเอาความสุดทางใจดีกว่าความสุดทางร่างกายแล้วเที่ยงแท้แน่นอนกว่าบางครังเมื่อไหรก็ได้ทันทีความสุดทางร่างกายบางทีกาแฟมก็ไม่ได้นะเวลาไฟดับก็ดูไม่ได้ดูละครไม่ได้ ถ้าความสุขทางใจนี่ไปดับไม่มีกาแฟก็พุโทโธพุทโทไปแป๊บเดียวมันก็เสร็จและถ้าเราทําบ่อยๆทำงานห้านาทีสิบนาทีก็ได้นะเร็วกว่าต้มกาแฟเสียดงกาแฟเสียดี่ยเพียงบอกให้เลิกของพวกนี้พยายามเลิกิดดีกับเราเนีไม่ใช่ไม่ดีเราไม่ได้พูดเล่นะพูดจริงๆตอนนี้เลิกไม่ได้ก็เอาให้มันน้อยหน่อยลดทักครึ่งหนึ่ง ค่อยเดือดกี่แก้ววันนึ่ก็รับเหลือครึ่งันก่อนมินก็ตานะท่านมันก็เขาก็ยอมรับกันว่ามันไม่ใช่หมือนยาเสพติดอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็มีผลต่อหัวใจมีผลต่ออะไเรื่องเหนนะเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปกังวลอ่ะเพราะว่าเดืยวไม่เดือดมันก็ตายเหมือนกันตาอนะแไ่แ<ต>ว่าไอ้ที่ท่านไให้เดือดเพามันไปได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันแล้วไปกระต้นความอยากใช่ไหม ใช่มันติดเงพอมั น, ด, มนดีแล้วมันตุต่มพอถึงเวลาก็ต้องอยาด<อ>แล้วก็จะหยุดความหยาดยากมากแต่ไม่มีคราบปลอีกไม่ได้ เ, เหเรอครับกาแฟแบบไม่มีคาฟ <laughs> เฟอีนกินง่ายจะตายเวลาเราทําสมาธิเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นปิดกั้นความอยากเพราะเราเราหน้าแล้วเราปิด ปิดหมดทั้งทั้ง5ส่วนใช่แล้วปิดประตูแลหยุดท้าความสุขทางทวารทั้งห้านำมาหาความสุขทางใจแทนมันจะเข้ามาทางใจแบบทางความจํามากกว่าเพราะว่าเราใช่แต่เวลาเรื่องสงบความจําก็หายไปความคิดก็หายไปความอยากก็หายไปมันก็อยู่เฉยๆได้มันร้ายเลนะมันสบายกว่าไหมล่ะค่นั่นแหละให้ไปตรงนั้นเนี่ย พอใจะนะแถ้าไปตรงนั้นก็ต้องทิ้งตรงนี้ไปต้องทิ้งรูปเสียงกลนนิ่นรสสูญในเข้าไปสู่ความว่างได้แต่ต่อไปร่างกายมันจะไม่หวมันทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นมันจะโกรเคตมันจะสูญเศร้าเพราะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้แต่ถ้าเรารู้จักจวิธีหาความสุขจากใจได้เราก็ไม่ต้องสูญเศร้าเราก็นั่งสมาธิไป นำใจให้สงบกานตัดความอยากไปยิ่งความอยากน้อยลงไปเรื่องหมดไปไม่ต้องนั่งกรนะดัะตัวที่ทําให้เราซึมเศร้าก็คือตัวความอยากยนะี่แหละพออยากแล้วไม่ได้ทํามันก็ซึมเศร้าใชนะว้าวเวเศร้าช่อยน้อยเหงาอยากไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ไปกับเขาคนลขาคนนึ่งก็ไปกันหมดทิ้งให้เราอยู่บ้านคนเดียวมันก็ซึมเศร้าหเหมือนกันแต่ถ้าเรา นั่งสมาธิได้เราอยู่กับความสงบได้ไม่มีความอยากผ่อนไปเราก็ไม่เหลื่อนนะใครจะไปก็ไปอยู่บ้านแสงจะสบายออกไปข้างนอกตลอดตลอดเหนื่อยจะตายเลยใช่ไหมมันชีอยึดเหนี่ยวที่ดีกว่าข อ, องดีกว่า<ม>ความสุขที่ดีกว่าคือความสงบ<ม>นัตติสันติพลังสุขขังความสุขที่ยิ่งใหญ่กับความสงบไม่มีถ้าได้ความสงบแล้ว<ม>ไม่ต้องการอะไร แต่ให้เงินมาร้อยล้านพันล้านก็ไม่รู้จะไปทำอะไรซื้อไะไรก็ซื้อมาซื้อรถมาร้อยคันมันก็ไม่มีความสุขเท่ากับได้านสมาธินี่แหละคือแล้วจะไม่ต้องทุกกับร่างกายด้วยพวกที่รวยๆที่มีเงินทําซื้อนี่นซื้อนี่เวลาแก่ทำไงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยทำไงสกขภาพตัวมัน รถร้อยคันภรรยาร้อยค น, คนพวกอาหลับเนี่ยเ็ามีซื้อรถกันเป็นที100นร้อยคันมีภรรยาร้อยคนพาเลนไหมแล้วเวลานันแก่มันเจ็บมันทำอะไรได้ก็มีแต่ความซ <c oughs> ึ่มเศร้าถึงได้่าตัวตายเยงะๆเพราะจิตมันอ่อนแอมากเลย พอมันเหงาขึ้นมามันทำอะไรตามความอยากไม่ได้มันเครียดขึ้นมามันก็ฆ่าดีกว่าฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายก็เป็นฆ่าผิดคนคนผิดไม่ฆ่าไปฆ่าคนไม่ผิดร่างกายมันไม่ผิดร่างกายมันไม่ได้ทําอะไรเสียหายไอ้ตัวที่ทําให้เสียหายก็คือความอยากไม่ไปฆ่ามันจิดถึงตัวเองฆ่าความอยากไอ้ตัวที่ทําให้เราเสียเศร้าทำให้เราหงุดหงิดราคาญใจเนี่ยที่บอกให้มาฆ่าความอยากดื่มกาแฟ พยายามดึงเข้ามาตัวนี้ให้ใหมาบอกให้มาบอกสักวันว่าตอนนี้เลิกดืก่งกาแฟได้แล้วอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยพีพูดวันนี้พี่จะมาชวนให้เลิกดืก่งกาแฟรู้เปล่าอ <c> ย <oughs> ู่เรื่อแน่จริงว่าเอ่า นะจิงลองไปคิดดูไอตัวเนี้ยหอมนะคะมีร้านกาแฟที่เที่เปิดนะดูเวลามันฉี่ออกมาเนี่ยแล้วไปดมมันใหม่คือว่าเขาเขาเขาอ่ามันเดือดกาแฟก็ต้องออกมาไม่ใช่เหรอมันต้องออกมาไปดมมันเน่ยอย่าไปอย่าไปดมตอนที่มันเข้าไปด้เจ้าของร้านนะคะเอาเอาเครื่องดูดอากาศพิเศษนะท่านคเป่าออกข้างนอกข้างถนนเลยแล้วคนเดินช้อปปิ้งเนี่ยเดินเข้า เป็นชิวละคะ<ช>เพราะว่ากลิ่นมันออกอยู่ข้างนอกใช่ไหมตนนั้นเาตาเจากห้องห้องส้วมเลยไอ้เป่าจากห้อ ง, องส้ว ม, <laughs> <laughs> ม, มมาเลยเคยื <laughs> อแบบเวลามันฉี่ออกมาทา่านไม่ดรอปเลยอุดจมูกกันท้า <laughs> ส, สมาธิดีนะก็ผมว่าโน่าจะถูกเกเรเ ล, เลาก เราชอบหอมหอมหอมก็ชิมแล้วแหม่เรามืนมาจากไห น, มนไม่มาจากไอกของที่หอมที่เราเดือมพวกนี้เลยเข้าใจไ อ, อย่างเงี้ยนะต่อไปไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดร้อนไฟดับไม่มีน้ําต้มน้ําก็ไม่เดื อ, นนอนดร้น อ, นนอนสบายไม่ต้องไปท้ากาแฟาไปซื้อก็แต่ให้เหนื่อยอยาก อนนี้ยกตัวอย่างตัวเดียวตัวอื่นก็ควรจะเลิกหมดเลิกได้หมดไม่ตายหรอกยิ่งเลิกได้มากเท่าไหร่ย ak, ิ่งดียิ่งสบายยิ่งเบาภาละความกดดันทางจิตใจจะน้อยลงไปเรื่อยจะเป็นอ <Congratulations. S 1> ิสระมากขึ huh. ้นค่ะที่น่าที่นั้งแต่ทมากๆเนี่นะอย่างเดชานตามกำลังเนี่ยนะคไปแล้วหกชั่วโมงนี่นะเออคือว่า ของทีซื้อมาใส่ตู้เย็นว่าจะทานได้ก็เลยเน่าหมดเลยฮะเพราะว่าเจ้าของไม่มีเวลาจะไปทานก็เลยกลาคคำเน้าแต่อยซื้อมาก็เลยต้องหยิบซื้อใช่ไหมคะคอ่าซื้อมากินด้วยซื้อให้แตคนอื่นเขซื้อให้คนที่คนที่เขากินเนี่ยเราไม่กินเราก็อย่าซื้อมันเลยก็ตอบต่อัวเอออ่าแล้วก็ปรับถ้าเราไม่กินเราซื้อมาทาไมล่ะ ที่ซื้อมาให้กินแต่เมื่อเราไม่กินเราก็อยากซื้นมาฉะนั้นเราไม่ดื่มกาแฟเราก็ไม่ต้องซื้อกาแฟมาใครจะซื้อก็เส้อคนที่เขาดื่มกินไปแต่เราไม่ดื่มล้วก็ไม่ต้องดื่มไม่ต้องซื้อสําหรับของเราเราถ้าไปเงินเหลือเฟือเลยไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรเอาไป ท, ทปําบุญดีกว่าเรจะมีความสุข ท, ทําบุญในลายก็มีความสุข แ็นคนอื่นก็มีความสุขจากการกระทำของเราเราก็มีความสุขเองแต่ความสุขจากการทาบุญมาสู้จากความสุขจากการละความอยากไม่ได้แต่ัวนในสุดยอดของความสุขก็คือการสละการเลิกความอยากได้นั่งสมาธิก็ยังเป็นลองความสุขที่ได้จากการเลิกความอยากละความอยากแต่การนั่งสมาธิก็ละชั่วครากดกันว่า การนั่งสมาธิความอยากก็ถูกกดเอาไว้แต่พอออกจากสมาธิพักพูดไปเปิดตู้เย็นเลยความอยากออกมาแล้วถ้าเปิดตู้เย็นมันมันมันไม่มีอะไรเลยก็ไมีปัญหาก็ไม่ต้องเปิดนไม่ต้องเปิดถ้ามันถ้ามันเรียบความอยากได้มันก็ไม่ต้องไปเปิดตู้เย็นไม่ต้องมีตู้เย็นเนี่ยมันก็บายจากตู้เย็นไปก็เก็บไว้เกะกะทำเมื่อไม่มีอะไรต้องเก็บละไม่ต้องใช้มันหลังไปจไม่ต้องมีอะไรจะอยู่แบบพระได้ มีสมบัติแค่สองยังมีเสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอยังมีชุดนี้สักสามชุดก็พอแล้วอ่าสามชุดชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไวส้<ต>ไวสำรองเผื่อซักว่าไม่แห้งเลอะขาด ม, มีสามชุดก็พอตอนนี้มีมีคนจะวิจารณ์นะคะอพวกเขาวดำเนี่นะคะเวลาไปนั่งคุยกันที่ร้านอาหารเขาบอกว่าพวกเรานี่เป็นเป็นกลุ่มที่ กำลังวางแผนอะไรสักอย่างไม่ค่อยเห็นนะฮะต้องใส่เหมือนกันเหมือนกับที่จริงจะต้องไปบอกทีว่าพวกที่วิจารณ์บอกว่าพวกเราไปมหาวิทยาลัย น, นะคะ<ม>เป็นเป็นนายอะมหาวิทยาลัยทางจิตนะคะา่านอันนี้เป็น Spiritual University นะคะที่ศาลาเนี่ย ก็เรื่องของเขาเขากับเรามันคนละเรื่องกันพูดกันคนละภาษาพูดกันคนละเรื่องก็หวานก็พูดไปเรื่องของเขาเรื่องของเราเราก็ทางของเราไปพวกิฟ้าแล้วนะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ฟังก่อนนะรับฟังก่อนคุณโซลังมาดียะได้มีเพื่อนคุยทีคนอื่นไม่มีใครกล้าคุยเลยคุณโซลังใจกล้าคนเดียวไม่กลัว ไม่อายอายนะะไม่ได้ความรู้็ได้ว่าเวลาเรียนนี่คงจะถามอาจารย์บ่อยที่สุดเลยถามไม่หยุดเลยจนอาจารย์บอกไม่ได้ค่อยๆชีส่งแบบนะคะตอนนี้ส่งแบบอ่ะทำอย่างคือเราตัดความอยากเลยเป็นทีละนิดๆ ในนอกนอกการสมาธิดิสมาธิได้ไม่มียางแล้วนะใช่ไปแล้ออกมาต้องต้องอื่นมาอันี้เราก็ทำไปเ้ืยจนเราเก่งแล้วคือลงนี้ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาไปจนมันเหลือนิดเดียวอะซือว่า0ูนยนเงี้ยก็ให้มันลดศูนไปเลยพราะศูนย์แล้วเนี่ยแล้วมันยังอื่นให้ละอีกมาละร่างกายก่อมาละร่างกายของเรา รนะความเจ็บความคันอยู่หน่อยแล้วก็เวลนะอารมณ์ต่างๆเรายังมีความติดอยู่กับอารมณ์อยากจะให้อารมณ์ดีอย่างเดียวพออารมณ์ไม่ดีก็ทชก อ, อีกนะเราเพต้องอยู่กับอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์เสียก็ได้อยู่กับความโลภ ก, ก็ได้อยู่ความโกรธก็ได้จก็ปัญหาของจิตต่างๆนี่ น, นะเราก็พยายามปัดไปถ้าเราเฉยๆเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองแล้วไม่ต้องไปทําอะไร โฮสักวันนึ่งเรารก็ประสุษมากเลยแล้วก็ส บ, บายกับทุกอย่างใสแจ๋วเลยใช่พวกเราไม่มีอะไรกับไทยทั้งนั้นเราปล่อยวางได้ทุกอย่างรับได้รู้ได้ก่อนได้ไม่ปไปไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างอืงอ่งเขาเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นอย่างนี้ไปทำที่เรายังอยากให้ก็เป็นอย่างอย่างเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้ก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นกล้วยก็อยากให้ก็เป็นสับปะรด เรเขาไม่เป็นสัตว์ประกต์เราก็โกรธไม่เสียใจเพราะเราไม่เห็นความจริงว่าเขาต้องเป็นอย่างเนี้ยมันจะประหยให้ก็เป็นอย่างนั้นได้ไหมต้องทําใจของเราที่ตัวเราเองลดความอยากนะแต่ประหยากเสียอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําใจอยากประหยากให้ก็เป็นอย่างอื่งเขาจะเป็นไงก็ปล่อยเขาไปเมื่อก่อนแล้วไม่รู้จักเขาทำไมเราไม่เดือดร้อนตอนนี้มารู้จักเขาเราต้องเดือดร้อน เอารู้จักเขามาครอบครองว่าเขาเป็นของเราครับนี้เขากต้องทำทางที่เราอยากครับแตเมื่อก่อนนี้เราไม่มองไม่เห็นของเห็นแต่ของดีๆแต่เขาก็โชว์แต่ของดีๆเรากรโชว์แต่ของดเรากระโชว์แต่ของดหลอกหลอกกันทคู่เพรอยู่กันไปเขาไม่ดีมันก็ค่อยๆเลิกอ๋อคุณอะอยู่กับเขานานยิ่งกวอยู่กับแม่ตัวเองนะคะ มีก็ดาราดังอยู่กันมาสิบสองปีก็ละเบื่อละคพอละเขาไม่ดีเห็นเยอะแล้วเมื่อก่อนเห็นแต่เขาดีพออนทางคนต่างายกันายคนต่างเรียบร้อยกันพออยู่กันไปนานๆพอโกดกเข้ามึงกลัวขึ้นไึเลยที่เราเรียนที่เราเรียนเรียนจาก คำสอนของพระพุทธเจ้าและอาจารย์เทพและนี่แหละก็เข้าไปเข้ามันจะเข้าของจุดจุดที่แบบหมดทุกเนี่ยหมดวุกอยางไงหมดยากก็หมดทุกหมดเลยอางมณ์สั่นหมดเขาต้องทําทีนิดนึงก็หลายปีแล้วนะก็ไม่ได้ละบางคนเจ็ดวันก็ได้บางคนเจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปียงก็สามน้อยแล้ว จำมาก็พยายามอ่ะไปรีดไต่นางอะไมันจะตายเมื่อไหร่ต้องรีดความตายมันไม่มีใครมารับประกันได้บริษัทประกันชีวิตเขาไม่รับประกันชีวิตนะเขาประกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตแต่ก็ไม่สามารถมารับประกันว่าถ้าซื้อประกันบริษัทชั้นแล้วเธอจะอยู่ไปถึงอายุร้อยปีนี่ไม่มีนะเขาไม่ได้ประกันแบบนั้นนะแต่ไปคิดว่าซื้อประกันชีวิตแล้วจะได้อยู่ไปถึงน้อยปี ไม่มีใครมาประกันชีวิตได้เพราะชีวิตมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างดัง mm hmm. ใครคิดเสียว่าเราอาจจะตายวันนี้ถ้าคิดอย่างนี้แนละ้วมันจะได้มีมีบจัดการกับ เรื่องต่างๆที่ข้าง้ๆแหวนเสร็จๆไปบัตรก็ให้ให้แต่ไม่หมดนะฮะเผื่อไม่ไปอ่ะเราไม่ต้องให้กันก็เก็บไว้ใช้ไหมแต่เวลาจะไปก็ไม่สนใจใครจะเอาหรอไปไปแต่ต้องเก็บไว้ก็ต้องเก็บไว้ไม่ต้องให้หรอกแต่อยไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงอย่าไปห่วงวันนี้เวลาไปก็เป็นของคนอื่นไปทําพินานกรรมนนใจว่าเป็นของยกให้คนอื่นไป เรยกไม่ยกก็ต้องยกอยู่ดีอย่าไปกคยาวไปก็ไปนั่งข้าไหนก็ได้<น>ที่น้่งทานั่งขัดสมาธินี้สําหรับมืออาชีพอเอะไยเราจะไปชิงเหรียญทองนี่ต้องนั่งท่าขัดสมาธิถ้าต้องการที่จะปัดสู้ต้องการไปนิพพานนี่ต้องนั่งขัดนั่งท่าขัดสมาธิแต่ถ้าต้องการการนั่งให้สบายใจให้ใจสงบนีนั่งท่าหนก็ได้เออ เรายังไม่ลืมนั่งนะอาจารย์แต่ว่าเพื่อนๆ เ, เขานั่งสามาธิ Adva นซ์ ม, มากแล้วแล้วก็เขาชวนชวนเรานั่งแล้วเราอยากจะเรียนจากเขาแต่เขาบอกว่ามันไ ม, ไม่ไม่ทันแล้วคือตอนนี้ต้องมาเรียนนั่งแล้ไม่ทันแล้วเขาสอนไม่เต็มไงเขาสอนไม่เต็ม มาสอนเราบททันเนี่ยถ้ายังหายใจได้ก็ยังทันอยู่ถ้ายังมีลมหายใจยังยังนั่งได้ก็นั่ง <S <S นะก็สั่นเขาเรา่มตั้งแต่สันหลังมึงงออ๋อไม่เป็นไรไม่เกี่ยวนอนนอนนั่งก็นอนสมาธิก็ได้อคนคนป่วยนี่นั่งไม่ได้ก็นั่นอนสมาธิก็ได้เองแต่ว่าถ้านอนแล้วมันจะหลับใช้มากกว่านั้งเองระหว่างนอนกับนั่งนั่งมันจะดีกว่านอนแต่ถ้า ถ้านั่งไม่ได้นอนก็ยังดีกว่าดีกว่าดีกว่านอนแล้วใจไม่สงบทุ้ง่านอนแล้วใจสงบหลับไปก็ยังดีจะได้ไม่ทุกข์ทรมานคือเราเข้าใจว่าพลังในร่างกายมันจะตําจุดของสา ร, างร้งกระดูกแล้วก็จะมีจุดมันจะจุดฝังเข็มมาเขาจะถ้าเรานั่งเป็นแล้วจะนั่งแล้วรู้สึมีความสูงแล้วก็เขาจะพลังจะวิ่งทะลุ ก, กันอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ามีความสูงมากาาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เรานั่งสมาธิไม่ได้ไปยุ่งกับร่างกาย การนั่งเพื่อทําใจให้หยุดคิดถ้าใจหยุดคิดแล้วก็มีความสุขความสุขทางใจไม่ได้อันนี้ไม่ได้นั่งเพื่อความสุขทางร่างกายร่างกายอาจจะเจ็บจะปวดไงแต่ถ้าใจสงบมีความสุขใจจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายครับนั้นคนจะเรื่องกันถ้าอยากจะนั่งแบบจุดนั้นจุดนี้ก็ต้องไปเรียนที่อื่นที่นี้สอนแต่เรื่องความสงบอย่างเดียว เพราะาถ้านั่งตรงๆนั่งท่ามนั่งแล้วเมื่อยไงว่าหลังไม่ค่อยดีนั่งดูทีวีได้นั่งดูได้ไหมดูได้ถ้นั่งแบบนั้นเนี่ยครับเออนั่งแบบนั้นนั่งดูหนังสองชั่วโมงนั่งได้ก็นั่งสมาธิสองชั่วโมงก็ได้ครับพอมันจะนั่งมันมีปัญหาทันทีถ้านั่งถ้านั่งสมาธินี้กิเลสมันจะมีเรื่องขึ้นมาให้ไม่ให้นั่งทันทีแต่ถ้านั่งดูหนังนั่งดูคอนเสิร์ตนั่งดูอะไรนี่ นั่งดูเป็นชั่วโมงก็ดูได้ครับไม่มีไม่มีเพราะต้อง่ม้เพื่นเขนะั่สมาธิเออผมบอกผมคงนั่งไม่ได้นั่งได้ถ้านั่งดูหนังได้ก็นั่งสมาธิได้มันไม่ต่างกันเองแล้วแทนจะดูดูหนังได้ดูลมแทนนั้นเอง ดูหนังก็ได้แต่อย่าไปดูหนังในจอดูหนังที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยนั่งดูหนังเลยหนังตั้งแต่หัวลงมาถึงเท้าเลยเป็นหนังทั้งนั้นนั่งดูล่างกายดูอาการสาวสิบสองก็ได้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูแบบี้ใจก็สงบได้แต่ผมฟังเพื่อนต้องมีจะมีต้องมีหลายวิธีครับคือต้องมีมันต้ทําจิตให้ สงบแล้วก็จะมีวิธีฝึกแหมถ้าถ้ามีวิธีที่ถูกต้องแล้วเขาจะจะได้ก้าวหน้าได้เดียวแล้วก็มีความสุขแล้วก็ใจเย็นแล้วแล้วจะจะไปจะไปรู้สึกอย่างที่เขารู้สึกอ่ะเขาบอกว่ามีความสุขมากในะก็ใช่ก็ต้องต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องอวิธีถูกต้องก็คืออยากคิดเนี่ยให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพูดโทพูดโธ้เล ในท้องพุทโ ธ, ธไปใส่ใจเวลานั่งอย่าไปคิดอะไรพอไม่คิดอะไรอยู่กับพุทโ ธ, ธเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบก็มีความสุขขึ้นมันน่าตื่นไม่ยอมมีอยู่กับพุทโ ธ, ธมันพอพุทโ ธ, ธได้สองคำก็ไปแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวไปคิดเรื่อง <c oughs> นั่นคิดเรื่องนี้นะ้ <c oughs> <c oughs> ลองนองให้อยู่กับพุทธโธดูเลอ่าน อ, น, อนั่งตานนี้เอาสักสองนาทีก็ได้ลองหนับตาแล้วทั้งพุทธโธสองนาทีดู่จะอยู่กับพุทธโธได้สองนาทีหรือเปล่าลองดูเยสองนาทีอยู่ๆจะอยู่กับพุทธโธเรื่องเดียวได้หรือ่าสองนาทีแล้วเป็นไงดีไหมเพยงสองนาทีก็ดีเลยไม่ได น, นั่งเลยใช่ไห อยคิดแค่สองนาทีนี้ก็เบาเพยงแตัคิดแคป่คิดแ่อะไรอย่างเงีล่นอยู่กับพูโทรอย่างเดียวพยายามอยู่กับพูโทรดยอย่างเดียวนี้แนละ้วก mm ็ hmm. จะสบายไม่ต้องออกเสียงท่องพุดโทรพุโทรไปพุดโทรพูโทพโทรไป <c oughs> แล้วมันไม่คิดอะไรใใจนันก็จะเบาะจะสบาย ถ้าไม่คิดอะไรเลยจอดเนืองเดี๋ยวพวกเราตกหนุ่ตกบ่อลงไปลุกลงไปเลยแล้วเท่นี้ก็ไม่ต้องพูดโทแล้ะมันจะเฉยนะมันจะอยู่เฉยเฉยมันจะไม่คิดอะไรแล้ไม่ต้องบังคับแล้วที่ใช้พุดโทนเพื่อบังคับให้มันมันมันคิดพอมันหยุดคิดพุดโธนก็ไม่ต้องใช้มันลน็อตเวลาถ้าจอดร็แล้วก็ไม่ต้องเหยียบเลยเวลาล็อตวิ่งแล้วต้องคอยเหยียบเบรกเบรกให้มันหยุดวิง่ง ทำมาหยุดเรีกหยุดวิ่งแล้วเราก็ปล่อยเด็กนะคำถามจากเฟซบุ๊กคำถามจากคุณไก่เมื่อความคิดเกิดขึ้นขณะใดๆควรภาวนาเพื่อให้หยุดคิดหรือดูความคิดที่เกิดขึ้นจนดับไปเองมันไม่ดับหรอกความคิดมันตั้งแต่เตินมามันเคยดับไปเอง ม, มันไม่ดับหรอก้ะดับได้ก็ต้องใช้สติ ใช้พุทโธหยุดมันเท่านั้นถ้าดูมันมันก็ยิ่งคิดไปเรื่อยๆใช้ตามดูมันนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปหยุดมันดูรถยนต์ให้มันไหลไปเรื่อยๆเงี้ยมันรถยนต์เวลามันหวัดไหลเราเราไปดูมันแล้วมันจะหยุดไหมมันไม่หยุดหรอกเราต้องไปเหยียบเบรกแล้วมันถึงจะหยุดความคิดเราก็เหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเราไม่มีเบรกมันก็ไม่หยุดคิดหรอกถ้าเราต้องการหยุดคิดเราก็ต้องเหยียบเบรก วิธีเหยียบเดิก็คือใช้พุทโธพุทโธนี้ไปคงถามจากคุณกันขณะนั่งสมาธิจะปวดเมื่อยหรือเหน็บชาเกิดขึ้นเราควรนั่งต่อไปเพื่อพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นต่อไปให้ถึงที่สุดว่ามันจะจบลงตรงไหนใช่ไหมครับคือถ้าเราเริ่มต้นนั่งนี่เราอย่าไปพิจารณาแต่เพราะเราไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรขั้นตอนนี้วิธีที่จะ ปฏิบัติกับเวทนาก็คืออย่าไปสนใจให้เรามาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปภาวนาต่อไปอย่าส่งใจไปหาเวทนาเพราะจะเกิดความอยากให้มันหายแล้วมันจะเกิดความทรม า, มานใจจนไม่สามารถคิดคิดอะไรให้ถูกต้องได้ดังนั้นเบื้องต้นใช้วิธีต่อสู้กับเวทนาด้วยการใช้สติดีกว่าให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป อนกว่าจิตจะสงบพอจิตสงบแล้วจิตก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายบางทีจิตสงบความเจ็บของร่างกายก็อาจจะหายไปก็ได้แต่นั้นไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คือขอให้ใจเราไม่ไปวุ่นวายไปกับความเจ็บของร่างกายทาให้ใจเราเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เฉยๆกับความเจ็บได้ไม่เดือดร้อน อันนี้วิธีแรกขั้นตน้นถ้าเรามีสมาธิแล้วใจของเราก็จะมีกำลังที่จะมาแยกแยะเวทนาออกจากทุกมันมีสองอันมันมีทุกทางใจกับทุกทางร่างกายเราก็ต้องพิจารณาว่าความทุกทางร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่มันมีเหตุของมันทำให้มันเกิดแล้วเราไม่สามารถที่จะไปกำจัดมันได้ตามความต้องการของเรา ถ้าเราอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการจะมีความทุกข์ใจเราก็ปล่อยวางมันปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันจะอยู่ก็อยู่ในเวลามันดับมันก็ดับไปเองข้อสำคัญก็คือเราอยู่กับมันได้เราไม่ทุกข์กับมันนี่นี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้ปล่อยวาง เขาจะอยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขาถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่หรือให้เขาไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนปัญหาของเราก็อยู่ที่ความอยากของเราอันนี้คือการพิจารณาทุกเวทนาถ้าอยากจะพิจารณาก็ลองพิจารณาดวาูว่าเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นหน้าตานะมันเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศเราจะไปสั่งให้มันฝน สั่งให้ฝนหยุดไม่ได้เวลาฝนมันตก เ, นเวลาเวทนาเกิดขึ้นก็เหมือนฝนตกนไปสั่งให้เวทนาหายไปมันก็ไม่หายไปอยากให้มันหายก็จะเครียดขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ไปอยากก็จะไม่เครียดเวลาฝนตกถ้าไม่เลยไปอยากให้ฝนหยุดก็จะไม่เครียดแต่เวลาฝนตกแล้วอยากให้มันหยุดมันก็จะเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเมื่อไหร่จะหยุดสักทีจะได้ออกไปทํำนู่นทำนี่งนั้น ถ้าอยากจะใช้ปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าความเจ็บนี้คือทุกขเวทนาทางร่างกายนี้เป็นของที่เราไปจัดการไม่ได้เราไปสั่งมันไม่ได้อยางให้มันอยู่อยากให้มันไปไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันไปเราจะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากปล่อยมันไปปล่อยมันอยู่ไปถ้ามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้ามันจะไปก็ปล่อยมันไปอย่างนี้เราก็จะอยู่กับมันได้ คำถามจาก you u t u b e คำถามจากคุณอภิชาติผมไม่เชื่อเลิกยามเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยากสร้างบ้านพร้อมสิ้นเดือนนี้แต่แม่ว่าเลิกไม่ดีให้รอไปก่อนผมก็ไม่อยากขัดแม่แต่จิตใจก็ไม่สงบครับขอคำพะขอคาแนะนำจากพระอาจารย์ครับไม่สงบก็เพราะว่าเรายังอยากจะทาตามความอยากของเรางั้นถ้าเราอยากจะทำใจแม่แล้วก็ับ ก็ยอมยอมให้แม่เขาตัดสินใจไปเราก็เฉยๆไปเราก็จะไม่ไม่เดือดร้อนแต่เรายอมแบบไม่ยอมเข้าใจไหมยอมให้แม่แต่ใจจริงๆยังไม่ยอมใจจริงๆยังอยากจะทําตามใจเราอยู่เห็นถ้าเราอยากจะตามใจแม่ก็ยกให้แม่ไปแม่ตัดสินใจเอาแม่จะดูเลือกจะทําอะไรก็เรื่องของแม่ไปสําหรับเราวันไหนก็ได้ถ้าเรา เชื่อในหลักของเลือกสะดวกนะยังเลือกสะดวกก็คือถ้าทุกฝ่ายโอเคก็ทำไปถ้าแม่โอเคเงินโอเคเออทุกอย่างโอเคก็ทําไปเลยแต่ตอนนี้เรายังยอมแบบไม่ยอมเต็มที่ยอมแบบเกรงใจแต่ยังไม่ยอมแบบเต็มใจถ้าเรายอมแบบเต็มใจเพื่อให้แม่มีความสุขเอาให้แม่แตัดสินใจเลย แม่าจะราเลิกวันไหนวันนั้นวันนี้ก็เอาไปเลยมันไม่สําคัญหรอกจะสร้างตามเรื่องหรือไม่สร้างตามเลิกที่เราไม่สบายใจหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราเห็นว่าแม่หลงไม่อยากให้แม่หลงแล้วก็จะทําให้เราไม่สบายใจได้คือแม่ยังไปหลงเรื่องเลิกเรื่องยามอยู่ไม่เหมือนเราเราเชื่อในก่อพุทธธรรมพระสงฆ์เราเชื่อในก่อแ่งกรรมเราเชื่อในหลักของเหตุผลนงแต่ถ้าแม่เขาไม่เชื่อ เราก็เลยอาจจะไม่สบายใจเพราะเห็นนี้ก็ได้งั้นเราก็ต้องปล่อยให้แม่เขาเชื่อไปเพราะว่าเขายังตาบอดอยู่เขายังมองและเขายังไม่มีปัญญาก็ถ้าเราถ้าเราไปอยากให้เขาเห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเราก็จะทุกข์เราก็จะไม่สบายใจเพราะแม่เขาไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นเพราะเขายังตาบอดอยู่อันนี้ก็จะทำให้เราสบายใจขึ้น คำถามจากคุณจูนระยะนี้เวลาเดินจงกรมจะง่วงนอนส่วนเวลาฝึกนั่งเฉยๆนั่งได้แป๊บเดียวจะง่วงนอนควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะควรลดอาหารลงก่อน <c oughs> อย่า ก, กินมากกินมื้อเดียวถ้า <c oughs> กินหลายมื้อมันก็ง่วงคำถามจาก facebook จากคุณพรเทพพระอารียะเจ้ายัางมีอาการตกใจไหมครับ ไม่รู้โดนไปถามท่านดูหมดแล้วอาจารย์ดูได้แค่นี้คนะ่ะไม่เป็นไรเราบอกให้คนที่เข้า facebook ไม่ได้นองเข้า y o ยูทูบดูออกแต่เขาก็คงจะไม่เขาก็คงจะไม่รู้นะแล้วเลิบดัดมม่าเป็นไงเข้าได้ป่าวใหเสียงเข้าได้ป่าวเล็บดัมดมา่าดอทคอมได้ค่ะถ้าใครเข้า facebook ไม่ได้ก็ลองเข้าวิทูบทำเสียงทำก็ได้นะ เข้าไปที่ l ลิฟด m มมะคแล้วก็จะมีที่ให้คลิกเปิดฟังได้ก็นที่จานนะทุกอย่างในโลกนี้ก็อย่างนี้บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็สื่นบางวันก็ติดขัดเนรื่องธรรมดาเพราะ ม, ม, มันมันมันมีมีอะไรเกี่ยวข้องหลายแห่งกว่าจะสัญญาจากที่นี่ไปถึงที่นู่นอาจจะผ่านสถานีถ่ายทอดไม่รู้กี่กี่ช่วงนะ ม, ม, มันเป็นสถานีถ่ายทอดไปเรื่อยๆเย่านียจากนี้ไปมันก็ไปถ่ายทอดได้แค่ห้ากิโลสิบกิโลแล้วก็ต่อไปต่อไปไปเรื่ อ, ๆอยๆฉะน้นถ้าช่วงไหนที่มันขาดตอนไฟเสียไฟดับหรือเครื่องเสียมันก็ขาดไปมันก็ไปไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาทาง youtube ไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีคาถามไม่มีมีไปสองคำถา ม, ถามทา อ, อยู่ตลอดแล้วะ ก็ต้องกลับมาหาคุ ณ, ค, ณคุณจรานตอคุณจรานไม่เป็นคนตัวคืเอเวนเวลาเม่รู้จะคยอะไรก็โทราสายคุณจรานพีล่ลูกพี่ลูกอ่าอ่าบ้างม า, มาอยากากลับเวียนถามเกี่ยวกับเรื่องเวทนาที่เวลาปิดขั้นแบบเยอะมากเยอะมากๆเลยเนะะี่ยค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยถึงจะคิดถึงจะให้เหตุผลเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าในที่สุดแล้วมันทําได้หรอคะที่ว่าจะให้วางใจได้นะะี่ค่ะแล้วก็ ถ้ามีความสงบธรระก็ถ้ายังไม่ได้ก็เอาพุโทโธก่อนเอาคําบริกรรมก่อนเอาคำบริกรรมเพราะนี่รรจะคิดได้ต้องซ้อมคิดไว้ก่อนแล้วเวลาถึงเวลาเราถึงจะมาสอนใจบอกว่าไอ้ที่เจ็บมันคือร่างกายนะแล้วร่างกายมันไม่เดือดร้อนเราไปเดือดน้อนแทนมันทําไมเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้เราคือใจผู้คิดเราอย่าไปคิดเดือดร้อนแทนร่างกายก่ ถ้าทิตย์ปล่อยให้ร่างกายมันเป็นเนื้อมันก่างกายเขาเห็นเดือดร้อนกระดูกเขาไม่เห็นเดือดร้อนแม้กระทั่ง เ, เ, เวลาตายเอากระดูกไปไปเผาไปฝังเขาก็ไม่เดือดร้อนหอละเราก็เดือดร้อนแทนเขาเองเราอย่าไปยุ่งกับเขาสิต้องสอนใจพูดกับใจอย่างนี้ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ได้ก็กลับมาพุโทโธพุโทโธไปก่อนทั้งสองอย่างสลับกันก็ได้ช่วยกันก็นดะ ภาษานแ้วมันยังไม่ยอมก็เอาพุโทธโธพุทโธอัดเข้าไปก่อนอันนี้ว่าแบบพุทโธวะาช่อย่าให้ไปคิดถึงมันอย่าไปอยากให้มันหายตอนต็นกรณีของพี่ศรีสุวรรณที่ตอนนั้นมีปัญหามากๆที่แกเล่าให้ฟังที่ขันข<อ>ขมากๆค่ะเพราะว่าโชคดีที่มันหายนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่หายเนี่ยแบลบว่า ไม่หายก็เก่าเไม่หายก็เก่าเะก็แขว่งแขนไงใช่ในที่สุดก็คือมันหายไปก็มันจะแก้ปัญหาไงปัญหายังไม่ได้รับการแก้เราไปแก้ที่ปลายเหตุคือไปแก้ที่ร่างกายไปแก้ที่ความคันแต่ปัญหาคือความอยากให้มันไม่คันอยากให้มันหายคันอตอนนั้นต้องเฉยๆมันจะคันก็คันไปถ้าทําได้แล้วต่อไปจะสบาย แต่ไม่ต้องเกาไม่ต้องทำแต่ป้าปัญหายังอยู่นะฮะก็ก็ความอยากให้มันไม่คันไงมันยังอยู่ต้องต้องหัดทำอย่างที่อาจารย์ว่ากันก็ยังก็ยังทำไม่ถึงที่ไงไม่ถึงที่พอเจอมันก็พยายามจะหนีมันเจอมันต้องอยู่กับมันใช่อ่ะมาแล้วเลยมาก็มาขนาดคันก็คันดูเสว่าจะเป็นยังไงคันคันยงน่าถามเลยเราคันเรื่องร่างกายคันร่างกายคันร่างกายเขาเดือดร้อนนะ เขาเกาไหมก็อยู่ดีๆเขาไปเกาเขาเองนั่งท่ายเขาไม่ได้เกาเราไปเกาแทนนั่งกายเราเผื่อแผงน่ะอะไรหมอผิวหนังนี่หมอผิวหนังนลยไม่กล้าคอมเมนต์แต่หนูเคยเวทนามีเวทนาเราก็ดูลมนะคะปกตินั่งดูลม แต่เวทนาอาจจะไม่แรงเหมือนของพี่เขาเราพออยู่ได้ดูลมแล้วมันบางทีมันก็ฟูงก็เลยไปดูที่ความเจ็บแทนไปเลยคือก็ดูว่ามันปวดตรงไหนตันแหน่งที่ปวดแล้วก็พอดูไปเรื่อยๆมันก็ปวดมันปวดไม่สม่ำเสมอการปวดมันมันยืบยืยับยับใช่มันคือมันแรงแรงแล้วก็แผ่วแล้วก็แรงก็เลยเห็นว่าไม่คงที่เอพอเห็นว่าไม่คงที่มันก็เลิกสนใจการมาดูลมต่อ ก็ไม่ยิ่งมันใช่ปลยมันได้ใช่ปลวไปมันได้ก็คือดูมันคือบางทีเราคิดว่าเราไม่กล้าดูมันจริงๆดูมันไปตรงๆมันก็ไม่น่ากลัวตรงไหนใช่มันก็แค่นั้นแต่เราเกลียดมันไม่ชอบมันเราอยากให้มันหายคือบางทีเขาหลบมันแล้วมันไม่หายก็เลยดูมันดูมันไปตรงๆมันก็มันก็ไม่น่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองด้วยค่ะ อาการปวดมันก็ไม่ได้คงที่มันก็มีหนักบ้างเบาบ้างมีช่วงที่ไม่ปวดเลยแล้วก็ค่อยๆปวดมันก็สมใจมันปล่อยมันได้ปล่อยวางมันได้ก็ดูอาการคันต่อไปก็ดูคันก็ดูยืบยืบยืบยับยืบยับยืบยับนี่มันคันก็นี้ก็ดูมันได้แล้วไปกลัวมันทำไมไปให้มันหายนะเมื่อเราดูมันได้อยู่กับมันได้ก็อยู่กับมันไปแล้วก็มาดูลงต่อแล้วก็มาคุกทวงเราต่อไปปล่อยมันให้มันคันไป โุดทนี่มีประโยชน์มากอ่ะตอนที่มันเกิดมหาพันเนี่ยนะเพราะว่าเวลาเรานั่งนะฮะก็ยังสู้ต่อยังรู้ว่ามันเป็นนั่นพอพอพอเริ่มสงบนั้นก็ใช้เวลาไม่นานน ะ, ะพอเริ่มมือเบาเริ่มเริ่มเริ่ ม, มที่แบบว่ามันเหมือนชาเริ่มมือเบาแบบไม่รู้เรื่องแลนะเหมือนแขนขาไม่มีอะไรอย่างี้เขาไม่มายุ่งเลยหะ่ะนั่งไปเหอะ ห้า ช, ช, ช่โมงกชั่โงเอรอะพุทโธแท้ๆเลยนะพุทโธนี่มาทําให้จิตนิ่งนะแล้วจิตนี่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่อยากทราบเลยว่าใครจะเจ็บจะอะไรที่ไหนหมาคันเนี่ยก็ตรงที่แล้วเลิกทําแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยก็ไม่พุโทโธต่ออย่างนัคั น, ข, นออของดีไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ความอยากแทนว่เลยยิ่งทรมารย์อยาก <c oughs> อยาให้มันไม่คันก็ยิ่งทรมานเรย์ ที่นั่งเก่งมากเลยถ้าใจพูดโธมันก็จะอยู่กับมันได้มันมันเหมือนมันเหมือนแบเข็มฉีดยาชาเลยใช่ช่วยอไม่ใช่เลยยังไม่ได้ตลอดทุกวันเลยที่เกีย่ไห่ยอไโอแต่แต่มันมีผลนะคะเพราะว่ามันทำให้เหนื่อยอ่ะมีผลไมไม่ใช่ล่ะมาบอกคนเลยนทำไมก็เลยถึงเวลาจะใช้ก็ไม่ใช่เนราะนั้นเหน่อยนะเพราะไอตัวเนี้ยแต่นี้ไม่เหนื่อยแล้ว คำถามจากคุณธวัตชัยผมตั้งใจนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่นับถืออย่างอื่นแต่เพราะผมเคยคุกคีติภเพนีพิธีกรรมนับถือผีเทวดาวต่างๆนานาของญาติผู้ใหญ่เลยรู้สึกไม่เต็มที่ผมมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้มาทำพุทธศาสนาเต็มร้อยครับก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังได้ผลไม่เต็มที่ถ้าปฏิบัติแล้วเห็นประโยชน์จากการเชื่อกฎแห่งกรรมเห็นประโยชน์จากการที่เราไม่ไปเชื่อเรื่องราวต่างๆที่ไร้สาระนี่ไม่มีเหตุมีผลนะมันก็จะทำให้เราเลิกไปเองต่อคำถามจากคุณสิริวัล สีนข้อสามคืออะรรมจริยาคือสีรักษาเรื่องใดคะอันนี้สำหรับผู้ที่ถือสีแปคืออะ ร, รมจริยาก็คือเราจะละเว้นจากการกระพฤติที่ไม่ไม่ใช่เป็นของพรหม อ, ะ, อะแปลว่าไม่รอมแปลว่าพรหมเนี่ยพรหมนี่เขาไม่เสกกรมก็ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใคร ปรมัจาริยาก็คือการการเสดการม น, นี่นัถ้าเราละเว้นถือเสีลข้อนี้เราก็เวรามนีละเว้นจากการประพฤติกิตที่ไม่ใช่ของพรหมกิตของพรหมก็คือไม่ร่วมหลับนอนกัใครถ้าไปร่วมหลับนอนกันก็ถือว่าไม่ได้เป็นพรหมถ้าอยากจะเป็นพรหมก็ต้องไม่ร่วมหลับนอนให้ไปนั่งสมาธิแทนให้เข้าไปเข้าใน รูปประชานรูปประชาญแทนพอเข้ารูปประชาญก็จะเป็นพรหมขึ้นมาเข้าอารูปประชาญได้ก็จะเป็นพรหมขึ้นมาเห็นั้นถ้าผู้ที่อยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องยุติการเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์พลกเทพโลกมนุษย์นี้ยังเสกกางยังเสกรูกเสียงกลิ่นรสยังร่วมหลับนอนกันอยู่แต่ถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมที่ดีกว่าสูงกว่าความสุขมากกว่า ก็ต้องเลิกการเสดเดกการ<ม>ก็ต้องละเว้นการประพฤติ ท, ที่ไม่ใช่เป็นพ<ม> ร, รมอารามจจริยานี่คือการประพฤติ ท, ที่ไม่ใช่เป็นพร ม, มผมก็ไม่ทําอย่างนี้ผมก็เสดสมาธิแทนผมก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบ<ม>นี่คือศี่ข้อสามของศิ่งแปดแต่สิ<ม>่งข้อสามของศีลงห้าก็ เป็นการเสกการแต่ให้เสกการแบบถูกต้องประเพณีหรือให้มีสามีภรรยาให้เสกกามกับสามีภรรยาของตนไม่ให้ไปเสกกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยากันเพราะนั้นจะลดตําแหน่งลงจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดชะฉานแต่ลาฉานนี้เขาไม่มีผัวไม่มีเมียเขาเจอใครที่ไหนเขาก็ชอบเขาก็ร่วมเสกกัน เหมือนพกที่อยู่พัทยาใต้ตรงนี้ข้าเข้ามาเข้าผับ ก, กันเพอเข้าไปคนเดียวเสรแล้วออกมาออกมาสองคนเลยอเนี่ยใช่ไตรงนี้ก็กำลังจะไล่กัดหาหาแฟนกันมาแย่งแฟนเอ้นี่มนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาที่รู้ว่าการการเสพการแบบไม่มีคู่นี่มัน ก็เดี๋ยวนำไปสู่การแข่งแย่งชิงดีฆ่าฟันกันได้แต่ถ้าเรามีคู่ต่างคนมนุษย์ก็จะเคารพสิทธิของกันและกันก็จะไม่ไปยุ่งสามีหรือภรรยาของผู้ถ้าอยากจะเสียการก็ต้องไปหาสามีหาภรรยาของตนเองเสร็จพอจะเป็นมนุษย์แล้วจะอยู่กันอย่างสันติสุขแต่ถ้าอยู่แบบเดลาฉาเนี่ยใครตัวใหญ่กว่าเนี่ยก็มาแย่งแฟนเราไปใช่ไหม ใครก็มีกำลังมากกว่าเขาก็มาแย่งแฟนเราไปนาถ้าก็อยากจะได้แฟนทงเราอันนี้ก็เรือกเป็นช่วงเดรนละชานถ้าไม่อยากจะไปเป็นเดรนละชานท่านก็บอกให้ถือศีลข้อสามนี่ไว้ของศีห้านะก็คืออับรรมัจจาริยาเวระมณีเอ้ยไม่ใช่การเมสุมิชฉาจาราการประพฤติประเพณี mm hmm. แต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่าเป็นมนุษย์เป็นเทพก็ต้อง อ布拉เมจาริยาเลยละมันมีตามคะอนุญาตถามต่อเนี่ยนะคะถ้าถ้าเป็นมนุษย์ปฏิบัติแบบของโลกของพงจะสามารถหลุดพนได้ไหมคะก็ต้องมีหลายอย่างมันมนุษย์มันหลุดด้วยศีลไม่ได้เพีอย่างเดียวมันเพียงแต่เป็นการฝืนใจบังคับใจห้ามใจไว้เท่านั้นเองถ้าเกิดมันเกิดการอารมณ์แรงๆมันอาจจะ สีลอาจจะขาดก็ได้แต่ถ้าจะให้หลุดพ้นนี่ต้องมีปัญญามีสมาธิมาอีกทีมีสมาธิก็จะเห็นว่าความสุขจากการไม่เสพกามนี้ดีกว่าการการไปเสพการแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าการไปเสพกามนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขก็จะเลอกได้อย่างถาวรจะหลุดพ้นได้ต้องเห็นว่าการเสพกามนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข นี่คือปัญญาแล้วสมาธิก็จะทำให้เราเห็นว่าการไม่เสกการมนี้การเสกความ ส, สงบนี้ดีกว่าแล้วจิตสงบอยู่ในสมาธินี่มีความสุขกว่าการร่วมหลับนอนกับแฟนร่วมหลับนอนกับแฟนก็ชั่วเดียวๆพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หายไปลวเดี๋ยวก็ต้องเสกใหม่นะแล้วเวลาอยากจะเสกไม่ได้เสกก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะแมวดีกว่าเสียความสงบดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าดีกว่ามีแฟนเวลาแฟนไม่อยู่ก็ทุกข์แล้วะเวลาแฟนหนีไปมีแฟนใหม่ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ดงนั้นอย่ามีแฟนดีกว่าเนี่ยัยงอยากจะมีแฟนเยอกป่ะออวอนนี้ตอนนี้หนูมาต่ มาตัดเรื่องแฟนค่ะอาจารย์แล้วตัดได้ยังเนี่ยเบาขึ้นค่ะเบาขึ้นไม่อยากจะได้แฟนอยู่ยังไม่เห็นว่ามันทุกข์ยังไม่เห็นคนที่อยากจะได้แฟนนีแสดงว่ายังเห็นไม่ยังไม่เห็นว่ามันทุกข์แต่คนที่เขามีแฟนแล้วส่วนใหญ่เขาเก็บกันแล้วนี้เขเรียกว่าคนนอกไม่รู้คนในคนในคนนอกอยากเข้าคนในอยากออกคนมีแล้วก็อยากจะอย่า ไอคนไม่มีก็อยากจะมีแล้วเกินเพราะมันสุขแล้วเกินไอคนมีแล้วก็ไม่เราดีกว่าสบายไม่ไม่ต้องมีด้ยตอนนี้สบายจะตายมีความสุขด้วยเอาจริงๆนะคะเพราะว่าค่าน้อยแต่งกับสาวพูดยังไงก็ไม่เชื่อหรอกจุดปากว่าไม่ทั้งหมดตายแต่งกับสาวีนี้พอดีเขาเป็นหลายโลกครขาหมดทางโลกอสบายไปเลย ถังแช่เพื่อนได้ไหมถังเพือนเป็นผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายยังไม่ได้แต่งงานแต่มีกิ๊กหลายคนแหละก็คือคาเฟ่นี้นะเหมือหมาเนี่ยเหมือนหมาเนี่ยคเดือดจตัดได้ตอนนี้ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์อจากเป็นมนุษย์ก็ถ้ามีสามีมีภรรยาต่อผิดสีเขาต่างผิดเขามีหลายคนได้คนเดียวได้ใช่ไหมคะไม่ได้ถ้าคนเดียวก็ต้อง ต้องตกลงกันต้องรู้กันทั้งสองฝ่ายต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าอย่ามายุ่งกันนะสองคนนี้เป็นของกันและกันเท่านั้นคนอื่นห้ามเกี่ยวข้องไม่ใช่ต่อหน้าก็เป็นของกันและกันพอรอบหนังก็ไปกับที่อยู่ต่ออย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วถ้าสื่อสัตว์ต่อกันก็ได้จะไม่ต้องแต่งงานกันก็ได้ถ้าวางคนต่างคล้ายๆว่ามีมีสัตยาบันว่าเอเธอเป็นสงชั้นเธอไม่ของเธอนะ เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครถ้าเราอยากจะร่วมหลับนอนเราก็จะหลับนอนเฉพาะเราสองคนนี้เท่านั้นเราไม่แต่งงานก็ได้แบบนี้เพียง <Okay. S 1> <Okay. S 2> แต่ว่าการแต่งงานมันเป็นการประกาศให้ถูกต้องประเพณีเ <Okay. S 1> มื่อคนกันเองรู้ว่าคนนี้เขามีครอบครัวแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาแนละ้ว <Okay. S 1> ถามต่อคํถาถามจากคุณกัน ข้อที่หนึ่งความแตกต่างระหว่างสมาธิกับฌานคืออะไรครับันเดียวกันสมาธิกับฌานก็คือความสงบของใจแต่ว่าสมาธิเราพูดเป็นภาพรวมฌานนี้เขาแยกเป็นขั้นๆวงเกียร์รถเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ทางของความสงบเท่าเกียร์หนึ่งก็จะวิ่งได้แค่ห้าสิบสามสี่อยากจะเร็วกว่านี้ก็ต้องเท่าเกียร์สองแต่จะเร็วกว่านั้นก็ต้องเท่าเกียร์สามเท่าเกียร์สี่ าก็เหมือนกันอยากจะสงบชานขั้นแรกก็สงบนิดหน่อยถ้าอยากจะสงบมากงั้นก็เข้าสู่ชาน2จากชาน2ก็เข้าชาญสาเข้าชานสี่ไปวิธีเข้าก็คือให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นประเดี๋ยวมจะเข้าเข้าไปตามลำดับของนั้นเองต้งถึงถึงชาน8เลยชานนี้มี8แบ่งเป็น2ส่วนรูปประชาญสี่รูปประชาญสี่ เป็นสมาธิเหมือนกันชื่อเรียกเรียกโดยรวมก็เรียกว่าสมาธิถ้าเรียกแยกก็เรียกแยกเป็นชาญนเป็นขั้นๆในไปชานหนึ่งชานสองไปข้อที่2ศีสีข้อสีนอกจากไม่พูดปดแล้วพูดสอเสียดพูด ger, เพลเจอร์เลวไหลก็ผิดสีข้อสีนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเข้าใจคาดเคลื่อนในสีข้ออื่นๆด้วยครับออไม่รับ เวลาเราขอสินล้วก็ขอแค่ไม่พูดปดเท่านั้นศินห้าสินแปดนี้เขาให้ไม่พูดปดเท่านั้นส่วนศินพูดสอเสียดพูดอะไรนี้มันเป็นศินสูงสําหรับพวกเป็นนักบวชพวกที่เขาจะสํารวมวาจาให้ให้ดีกว่าทั่วไปเขาก็จะถือข้อเนี่ยไม่พูดสอเสียดไม่พูดคําหยาไม่พูดเพ้อเจ้อ อันนี้เป็นศีลที่ละเอียดเร่อสศีลที่สูงกว่าการถือศีลข้อไม่พูดปดเป็นข้อเดียว mm hmm. ฉังนั้นถ้าถ้ายังไม่ถ้าถือศีลห้าศีลแปดแล้วไปพูดเพ้เจนี้ยังไม่ถือว่าผิดศีล น, นอกจากเราจะสมาทานนะั่นเอว่าเราจะไม่พูดเพ้อเจ้แล้วนะเราจะไม่พูดคำหยาบแล้วนะเราจะไม่พูดส่อเสียดแล้วอันนี้เราก็จะพอเราไปพูดเราก็ถือว่าเราผิดศีลนะ คำถามจากคุณมงคลเมื่อรู้ว่าอยู่เมื่อรู้อยู่ว่ามีสิ่งมากระทบใจน้ำตาไหลเพราะความดีใจหรือเสียใจสิ่งนี้ถือว่ามีสติอยู่หรือไม่ครับถ้าไม่มีสติมันก็จะคงยังไม่รู้อนะองนั้นถ้ารู้ก็แสดงว่ามีสติเหมือนคนกินเหล้ามาแล้วก็ไม่รู้ละทําอะไรม้าง งั้นถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราดีใจเสีจจยใจก็แสดงว่าเรามีสติเวลาเราหลับเราก็จะไม่รู้ว่าเรารู้เราดีใจหรือเสียใจอยหมดนั้ <Okay. S 1> นลเลยก็ดีใครอยากจะถามนายถามได้นะจะให้จะให้ช่วงสุดท้ายล <Okay. S 1> ะลามถามมา จากที่มีคุณธวัชชัยก็ถามว่าเขาโตมาในบ้านทีออ่มีความเชื่อที่ผิดอย่างเงี้ยคือสมมุติว่าเด็กเนี่ยเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าอะไรถูกหรือผิดแต่บรรพบุรุษสอนมาแบบนั้นอะ่ะแล้วเขาไปทําผิดผิดอย่างเงี้ยเขาจะบาปบาปก็เหมือนเดรัจฉาน <c oughs> เดรัจฉานเขาไม่รู้ว่าเขาผิดเขาก็ทำไป <c oughs> เช่นไปอยู่ครอบครัวที่เขาฆ่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่เลี้ยงขี้เขาก็ฆ่าตามพ่อแม่สอนให้ทํา แต่ก็ถ้าพอเขาโตเขาไปได้เรียนความรู้ใหม่เขาก็เปลี่ยนได้แต่บาปที่ทำก็ต้องไปรับผลต่อไปแต่บาปที่ทำจากการไม่รู้นี่มันไม่ร้ายแรงเท่ากับบาปที่ทำด้วยความเครียดแค้นอาฆาตขยาบาหรือทาด้วยความโลภเพราะว่าทำบาปด้วยความไม่รู้นี่ก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตขยาบาทก็ไปนรก นั่นก็เนี่ยชวนหนึ่งถึงพระเจ้าสอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการได้คบกับคนที่ฉลาด<ม>นั้นพอเราโตขึ้นถ้าเราอยู่กับคนที่โง่เราก็ต้องไปหาคนฉลาด<ม>ก็พ่อแม่สอนไม่ได้ก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือกันมสมัยก่อนก็ส่งไปวัดกันเพราะว่าเป็นที่เรียนหนังสือแต่สมัยนี้ไปส่งไปเรียนที่ไม่มี ไม่มีธรรมะอีกแล้วมันก็สอนให้ไปโงต่ต่อไม่ได้สอนให้ฉลาดถึงแม้จะมีความรู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผิดถูกดีชั่วเป็นความรู้เกี่ยวกับการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อ ง, องก็ยังอาจจะทําชั่วต่อไปนะ้โดยไม่รู้สึกตัวนั้นควรจะไปไปวัดไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมอย่างที่พวกเรามาฟังกันอย่นี้เราได้เรียนรูน้อะไเยอะแยะกันหมดเลย เอาวันนี้ถามหน่อยว่า น, นี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างที่ไม่เคยรู้มาก่อนอหนูมีไหมส่วนใหญ่จะได้ยินได้ฟังมาอยู่แล้วนะพ่อหนูเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วลก็ที่อยากจะถามเพราะว่าพิธีโยมเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาคุณคุณโทษอะไรแต่เขาก็เป็นคนดีคือเขาไม่โกงคนอื่นแตบ แต่เขาจะไม่เข้าใจถึงลึกๆแนะักอย่างเช่นเขาถามแล้วว่าคนที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่หรืออยู่ลงฆ่าสัตว์นี่บาปแต่ว่าคนที่จ่ายเงินไปซื้อหมูเพื่อที่จะมาทําบุญให้ท้ากลับได้บุญแล้วทีนี้คนที่เขาอุตส่าห์เลี้ยงหมูมาเนี่ยเขาจะไม่ได้บุญเลยเหรอเพราะว่าเขาสร้างอาหารให้กับกับสังคมใช่แต่เขาฆ่างก็งเป็นคนค่าคนที่คนที่ไปซื้อเขาไม่ได้ฆ้า ที่เขาฆ่าเพราะเขาต้องการเงินไง <material. S 1> แต่คนที่ไปซื้อคนไปซื้อของที่ตายแล้วมาทําบุญนี่เขาเสียเงินนะ <c oughs> เขาก็เลยได้บุญได้บุญตรงที่เขาเสียเงินแต่คนที่ฆ่านี่บาปพราะไปฆ่าแล้วก็ได้เงินจากการที่ไปฆ่า <c oughs> มันต่างกันตรงนี้เขามองไม่เห็นเขามองไม่เป็นคิดไม่เป็น อาจารย์นี่เป็นคู่กันไหมเฉลยถ้าไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนค้านะมีก็คนขาเขาก็ต้องเก่งนี่ไงเนี่ยถ้าเขาขายไม่ได้เขาก็จต้องค้ากินของเขาอยู่นั่นแหละจำไหมแล้วก็เขาอยากรวยด้วยได้บางทีเขาไม่อยากรวยแต่เขาอยากเขาต้องไปซื้อเสื้อผ้าเขาก็ต้องเอาเอาเงินที่เอาเอาเป็ดไก่ไปแลกกันสมัยก่อนไม่มีซื้อขายเขาก็เอาเป็ดไก่ที่เขามีไปค้าแล้วเขาก็ไปแลกเสื้อผ้าไปแลกข้าวไปแลกอะไรลยก็แลกกันไปแลกกันมา ไม่มีใครรังค้าให้คุณทําอาชีพเลยคุณทาของคุณเองใช่ไหมอาชีพอื่นคุณก็ทําได้มี่ที่ที่พ่อคิดว่าไม่มีโทษไงคิดว่าไม่บาก็เลยทํากันถ้ารู้ก็ไม่อยากจะทํากันแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่ที่ขอถามมาแล้วหนูตอบเขาไม่ได้คือถ้าทุกคนไปนั่งสมาธิหมดก็ไม่มีใครทํางานก็ไม่มีอาชีพก็ไม่มีใครเลี้ยงใครก็ไม่ต้องเนี่ยพ่อไม่ต้องไม่ต้องมัดเกย์ไงี้ ก็ไปไม่ต้องมีใครมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาฆ่ากันไม่ต้องมาทําอาชีพอะไรต่างๆกันถ้าทุกคนนั่งสมาธิก็ไปนิพพานกันหมดเลยใช่ไหมดีนะไม่ดีเหรอดีดอ่าไปเร็วๆจะดีมันไม่ไปกันสิยังต <laughs> <laughs> ิดแสงสีกอยู่ยังอยากจะมาฆ่ากันอยู่ยังอยากจะมากินเป็ด ก, กินไก่ยู่ <laughs> มือนก็นเลยต้องมีการฆ่ากันอยู่อย่างนี้เขบอกว่า คนกินเนื้อสัตวเราบาปคนกินไม่คนกินไม่บาปคนฆ่าบาปคนกินจะบาป ก, ก็ต่อเมื่อไปสั่งให้เขาฆ่าให้เท่านั้นถึงจะบาปแต่เขาทำเนื้อสัตอย่างไม่บาป <c oughs> ใช่ไปสั่งเขาว่าพรุ่งนี้จะเอาไก่ตัวนึงเี้ยบาป <c oughs> แต่ถ้าไม่สั่งไปที่ตลาดเห็นเขามันตายอยู่แล้วจะซื้อไม่ซื้อมันก็ตายอยู่แล้วจะไปบาปตรงไหนถ <c oughs> ามเจนะเขาบอกว่าเนื้อสัตวไม่บาปอ่ารเจแล้วไปตอบยุกมันก็บาปเองอะยินเดินผ่านไปนะ เห็นไก่ย่างเห็นวัวควายมก็มีบุญเยอะแยะสิวัวควายมันก็กินเจไม่แห้เหรอวัวควายมันจะมีบุญได้ไงมันก็ไปขโมยยาเขากินอีกอะอาจารย์คะขออนุญาตอีกข้อหนึ่งค่ะอย่างเช่นว่าไปตลาดไปซื้ออาหารแม่ค้าเขามีปลาตายอยู่แต่ค่าน้อยใช้กุศโลบายได้ไหมคะอแม่ค้าคะมีปลาตายไหมขอซื้อปลาตายหนึ่งตัว ก็มันตายแล้วไม่ต้องไปถามก็โชคร้ายนแต่ม่คาน่ะปาก็คือบางทีเขาบอกไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปถามเราไปดูมันตายหรือยังมีปลาอลาคือค่าน้อยสั่งค่าน้อยไม่ดูเลยค่ะสั่งแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นเลยไม่ได้หรอต้องการปลาตายหนึ่งตัวเดี๋ยวเกิดมันไม่ตายเขาก็ค่าให้เราอย่างเงี้อ๋อถ้าไม่ตายเขาค่าให้ดีบาปใช่หบาปเราอย่าไปพูดเลยแล้วก็ดูจับมันดูดูมันตายหรือยังตายแล้วก็ซื้อถ้ามันไม่ตายเราก็อย่าไปซื้อมันถูกหอกอ๋ กูโลบไปแบบนี้มันอ่ะกูโลบายมากกว่าถ้าเกิดว่าทั้งๆที่ท่านเราไม่รู้แล้วเขาไปฆ่านี่เราก็บาปใช่ไหมคะถ้าเราสั่งไม่ไม่ค่ะหมายความว่าแม่ค้าซื้อปลาตายหนึ่งตัวค่ะนั่นแหละอันนี้ก็บาปแล้วแหละท้องเขาไปฆ่าให้มันตายแล้วเพราะว่าบางทีแม่ค้าเขาเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะอยากขายมากแล้วฆ่าหรือเปล่าอ๋อเราก็ซื้อตอนเาไม่รู้ไม่เป็นไรเราเราซื้อของที่มันตายแล้วเสร็จเราเห็นอยู่เนี่ย ของนี่มไม่ตายเราก็ไม่เอาถ้าไม่มีขังตายต่อหน้าเราเราก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ใช่บอกเห็นว่าไม่มีขังตายก็ไม่ค้ า, อาของเอาปลาตายมาให้ตัวเนะี่ <laughs> โอ้ได้เดี <laughs> ๋ยวไปทุบขัวกันไ้ค่ะค้าน้อยถึี่ยงสิใจเพราะครั้งหนึงได้ยินแว่วๆอยู่ไม่ <c oughs> ค้ามีปลาตายไหมคะเข้ า, ามไม่ได้ถามว่าเดี๋ยวมีมีเดี๋ยวจัดการให้นี่แหละมันก็เป็นสิ่ในใจของข่าน้อยอันนี้ไม่ได้หรอ พูดไม่ได้พูดอย่างนี้มันก็เหมือนสั่งละสั่งแบบกุสโลบายไงต้องไม่พูดไม่สั่งมาถึงก็หยิบไปเลยมีของอมีของก็ออนนเอา ต, ตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยมันไม่ค่อยมีปลาตายสิทางอีสานแม่ค้าก็ไปเอปาปลาในกระชังในแม่น้ำโขงมาขายเป็นๆ เ, เลยอ๋อมีที่อื่นที่เขาขายปลาตายมียยเยอะแยะไปแต่ไปทีปปปป่ปลาตายชุดตัวมังเกิลเขาว่าของตายนะไม่มีต้องเคยไม่สิวันห้างแล้วเดี๋ยจะ เขาแช่แข็งมาแล้วแช่เย็นมาแล้วก็กินได้แต่ถ้าเราเป็นคาราวาสก็อย่าไปกินมันก็ได้ถ้าเราไม่ไม่ไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็กินผักไปก็ได้กินเจไปรสนั่งจะกินเจเราแล้วก็ทานเบียร์ทั้งหมดนีมันแย่งกันเลยเนี่ยมันผิดศึ่งข้อสามอะเนี้ยมันแย่งตัวเมียกันเลยเนี่ยธรรมชาติ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 พวกเขาไม่ถนัดยากอดไม่จิตมันขึ้นนะคะ่จิตมัไม่ไม่เป็นไรแค่มันอยู่อย่างนี้ได้ไปก่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวเรีน้มาเราใช้เวลารวมไม่รวมไม่สังเกขอให้ได้ปฏิบัติไปเรื่เดี๋ยวถึงเวลามันก็จะรวมเอง